ความทุกข์นี่มันเกิดจากอะไรถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยทุกข์มันก็มี2 อ, อย่างเท่านั้นแหละคือทุกข์กายกับทุกข์ใจทุกข์กายนี่ก็มีสาเหตุมากมายเมื่อกี้เราก็ได้สาธยายไปแล้วว่าทุกข์เนี่ยนะมีตั้งแต่ความเกิดก็เป็นทุกข์นะความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์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 รวมทั้งความหิวด้วยสาเหตุแห่งทุกทางกายนี่มีเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าพูดถึงทุกทางใจแล้วเนี่ยสาเหตุถ้าจะกล่าวอย่างถึงที่สุดก็มีแค่ประการเดียวนะก็คือความยึดติดนะถึงแม้ว่ามันจะเกิดจากความพัดพราก เกิดจากความผิดหวังเนะกิดเมื่อมีคนมาตําหนิต่อว่าเกิดเมื่องานการล้มเหลวหรืออกหักแต่ทั้งหมดทั้งปวงที่พูดมานี่เมื่อสาวไปถึงที่สุดก็คือความยึด ต, ติในใจของเรายึด ต, ติดว่าอะไรนะยึด ต, ติดอย่างแรกคือยึดว่ายึดว่ามันเที่ยง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 ผิวหนังเรื้มเหี่ยวยนหน้าตกกระชัทงทั้งที่มันไม่ได้ทําให้ทุกข์กายแต่อย่างใดในแต่ใจนี่ทุกข์ล้วพอะมันไมไ่เป็นไปอย่างที่ยึดอยากเอาไว้คืออยาให้มันเที่ยงบางทีแค่มีสิวนี่ก็ทุกข์แล้วนะทุกข์อย่างหนักเลยก็เคยมีการสอบถามทงที่ประเทศอังกฤษนะคนที่มีสิวเนี่ยประมาณสิบเปอร์ซ็บอกว่าเป็น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 ผู้คนก็ดิ้นรนขนวายเพื่อจะซื้อข้าวของต่างๆมากมายเพราะหวังว่ามันจะให้ความสุขกัเราแต่พอซื้อมาแล้วใช้นิดหน่อยก็เริ่มเบื่อหรือบางทีไม่ทันใช้เลยแต่มันทิ้งไว้นานลว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 แล้วก็ทุกเลยจริงๆความเจ็บปวดก็เป็นแค่ทุกข์กายนะแต่ทําไมทุกข์ใจก็เพราะยิจอยากให้มันเป็นสุขจริงๆไม่ต้องแค่เจ็บป่วยนะแค่ความเมื่อยแค่นั้นแหละความเมื่อยความปวดเวลาเรานั่งนานๆเราก็เริ่มปวดเริ่มเมื่อย มันก็เป็นอาการแค่กายนะเป็นความทุกข์ทางกายแต่ทําไมทุกข์ใจเพอลึกๆยึดอยากให้มันสบายไปตลอดมาวัดนะเจอยุงเจอแมลงนะต้องนอนกระดานนอนพื้นอันนี้ก็เป็นความไม่สะดวกสบายทางกายแต่ทําไมบางคนนี่ทุกข์ใจมากก็พอยึดอยากคาดหวังให้มันสุขให้สุขเหมือนบ้านนะ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 ล้านแผงลอยแบกกดิบก็เป็นสุขนะเออดีแต่พอเราใช้เดียวกันมากินในพัตคารหรูๆนี่กลายเป็นทุกข์ไปเลยไม่พอใจทั้งที่มันก็อร่อยนะแต่ว่าความยึดอยากว่ามันต้องอร่อยกว่านั้นหรือว่ายึดอยากว่ามันต้องอร่อยตามมาตรฐานนะก็เลยเป็นทุกข์ไป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 เช่นเวลาเราหายใจเนี่ยลองหายใจเข้าไปเรื่อยๆสิทีแรกหายใจเข้าก็สบายแต่พอหายใจเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆสักห้าวินาทีหรือสิบวินาทีมันไม่ไหวแล้วอืดอัดเครียดทยํายังไงก็ต้องหายใจออกตอนหายใจออกทีแรกสบายแต่พอหายใจออกไปเรื่อยๆนี่มันกลายเป็นทุกข์นะ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 ถ้าเป็นของคนอื่นนี่เราไม่ทุกข์นะเงินเพื่อนถูกขโมยไปถูกโกงไปเออเราก็เห็นใจนิดหน่อยแต่เราก็ไม่ได้ทุกข์มากเราปลอบใจเพื่อนในซว่าเงินทองเป็นของนอกกายแต่พอเงินของเราหายสิบางทีน้อยกว่านั้นแค่หนึ่งในสิบเท่านั้นอู้เราทุกข์เลย ไอ้ที่แนะนำเพื่อนวาเงินทองเป็นของนอกกายนี่มันไม่ไม่ซึมเศร้าเข้าไปในหัวเลยเวลาเพื่อนถูกแฟนทิ้งอกหักนัก้นเราก็ไม่ได้ทุกข์อะไรเราก็บอกเพื่อนว่านะอกหักดีกว่ารักไม่เป็นหรือว่าทำใจเธอหาคนใหม่ดีกว่าแต่พอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเรานี่มันทุกข์เลยทุกข์มากไอ้ที่แนะนาเพื่อนนี่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 แต่พอเราเจ็บป่วยงบ้างนี่มันไม่ธรรมดามันทุกข์มากเพราะอะไรเพราะเราไปยึดว่า น, นี่ร่างของเรากายของเรามีความตายมีความสูญเสียที่ประเทศจีนพราะแผ่นดินไหวตายกันเป็นแสนที่อิหร่านตายกันเป็นหมืน่นที่ซเหลือนี่ฆ่ากันเป็นเบือ่อตายเป็นหมื่นแล้วเราฟังก็เฉย แต่เพียงแค่ได้ข่าวว่าเพื่อนเราป่วยหนักญาติเราหลานเราเป็นมะเร็งเราคิดไม่ได้นอนไม่หลับเลยเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ที่ตายในจีนในอิรานนั้นไม่ใช่ญาติของเราเพื่อนของเราที่ตายในอ e ิซรเรีย e ก็ไม่รู้ใครนะแต่ว่าพอมันเกิดกับหลานของเราเกิดกับเพื่อนของเรานี่ทุกเนะพราะความยึดมาเป็นเราเป็นของเรา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 เรียนรู้การปล่อยวางทุกปพราะยึดนะเมื่อปล่อยก็เป็นสุขหลวงพระชาท่านพูดไว้นั่นเขียนไว้ดีบอกว่าทุกมีเพราะยึดทุกยึดเพราะอยากทุกมากเพราะลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยทุกมีเพราะยึดนะทุกหลุดเพราะปล่อย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 แทนที่จะเรียนรู้การปล่อยวางจริงถ้าเจริญสติแล้วก็จะเราเห็นรู้ทันความคิดมันก็จะวางได้ได้ง่ายได้เร็วไม่ว่าคิดดีคิดไม่ดีก็ไม่เอาแค่รู้เฉยเฉยรู้แล้วมันก็จะวางเองไม่ใช่ว่าคิดดีเอาคิดชั่วไม่เอานะั่นไม่ใช่นะคิดดีก็ไม่เอาคิดชั่วก็ไม่เอา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 ชุนเฉียวง่ายอะไรไม่ถูกใจก็โกรธโมโหด้าในสุดก็เกิดอมัมพฤกษ์ เ, เซ้นเลือดในสมองแตกเพราะนิสัยใจคอเป็นอย่างนั้นก็ทำให้นิสทให้เส้นเลือด ใ, ในสมองแตกเป็นอมัอมาพาตครึ่งซีแกก็ทุกข์มาก จากคนที่เคยไปเที่ยวไปไหนได้นะก็ทำอะไรไม่ได้ต้องนอนก็ามีความทุกข์มากนะทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจไอ้ระหว่างที่ป่วยนี่ก็เลยได้เห็นความจริงว่าเงินทองนะสถานภาพนะมันช่วยอะไรไม่ได้เลย มีเงินเท่าไหร่ก็ไม่ได้ช่วยทำให้เป็นสุขได้แล้วยิ่งนึกถึงความตายก็เห็นชัดว่าสมบัติเหล่านี้เอาไปไม่ได้เลยก็เริ่มปล่อยนะเริ่มวางที่แรกก็วางเรื่องทรัพย์สินทรัพย์สมบัติรวมทั้งความถือเนื้อถือตัวก็ปล่อยตอนหลังก็มาเห็นนีกว่า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 ความอวดตัวถือตนนี่ก็คลายลงกลายเป็นคนที่ผ่อนคลายแล้วก็เป็นกันไองกับเพื่อนมากขึ้นแต่ก่อนวางกล้ามวางฟอร์มตอนหลังปล่อยวางสบายชืวิตเขาก็เป็นสุขมากขึ้นสุขภาพดีจิตใจก็ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องคนที่เขาเรียนรู้จักความความทุกข์ของตัวเองแล้วก็รู้ว่าถ้ายึดเนี่ยมันเครียด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 มันมีไม่กี่คนนะที่เรียกว่าจะรู้จักเยนรู้จักความทุกข์อันทางที่ดีก่อนที่ความทุกข์จะเกิดเช่นก่อนที่ความเจอความป่วยจะเกิดก่อนที่ความพัดพรากจะเกิดกับเราเรามาเตรียมตัวก่อนก็คือมาปฏิบัตินี่เลยการที่เรามาฝึกเจริญสติเพื่อที่จะได้เห็นได้รู้ทันความคิด มันไม่เพียงแต่ทําให้เราปล่อยวางความคิดความความยึดความอยากลงเท่านั้นนะไม่เพียงแต่ช่วยทําให้เราปล่อยวางความคิดแต่มันทําให้เราเห็นว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยเพราะยึดเพราะอยากทุเรานี่ทุกเพราะความยึดความอยากที่เกิดขึ้นในใจไม่ใช่ทุกเพราะดินฟ้ากระไม่ใช่ทุกเพราะคําพูดของเพื่อนนะไม่ใช่เพราะว่าเงินหาย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 เราโกรธนะจะเห็นความโกรธที่ใจต่างกันนะเราเครียดแต่เห็นความเครียดที่ใจมันต่างกันเราปวดแต่เห็นกับเห็นความปวดที่กายเราเมื่อยแตเห็นความเมื่อยที่กายนี่มันต่างกันอันนี้ก็เริ่มเรียกปล่อยวางแล้วความยึดมาเป็นเราเป็นของเรามันเริ่มคลายแล้วเพรเห็นความจริงไงว่ามันไม่มีเรามันมีแต่กายกับใจรูปกับนาม เราก็จะเห็นเลยว่าโอ้มันไม่มีอะไรที่เที่ยงไม่มีอะไรที่เป็นสุขไม่มีอะไรที่เป็นเป็นตัวเราของเราเลยไม่แต่อย่างเดียว<อ>สิ่งที่เรียกว่าไตรลักษณ์นะก็จะปรากฏแก่เรามากขึ้นก็จะไอความวิความอยากว่าให้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือสิ่งทั้งพวงเที่ยงเป็นสุขเป็นของเราเป็นเราก็จะคลายไป อ, อ, อันนี้ก็เรียกว่าปล่อยวาง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 ที่คนทั่วไปรู้จักเป็นสุขที่อยู่เหนือโลกแล้วโลกุตระโลกนี่หมายถึงโลกธรรมก็ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็ให้เรานะลองหมั่นทํำเขา้าใจนะว่าไอ้ทุกข์นี่คืออะไระสาเหตุสาเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงคืออะไรและไหมช่วยนําทางให้เราพาจิตพาใจาพาชีวิตของเราได้เข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงได้ อ๋อละช้อนนี่ก็พกับท่านี้